ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะจุลวัชคโคตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสามข้อที่สองร้อยสี่สิบมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาการศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็ในสมัยนั้นมีปริพาชพวัชคโคตคือนามสกุลวัชะ อาศัยอยู่ในอารามของพวกปริพาชกซึ่งมีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งก็ใ น, นครางนั้นแหลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาตยังเมืองเวสาลีครั้งนั้นทรงมีพระําริว่าเวลานี้ยังเช้าเกินไปนักถ้าใครเราพึงเข้าไปหาปริพาชก ที่นามสกุลวัชชะที่อารามของเขาที่มีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งก่อนเดิดลำบากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริพาชกวัชชะโกตนั้นปริพาชกนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ได้กราบทูลว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเถิดพระผู้มีพระภาคเสด็จมาดีแล้ว กว่าจะเสด็จมาที่นี่นานทีเดียวขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนี้อาสนะปูราดไปแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดแล้วแม้วัจจะปริภาชกนั้นก็ถืออาสนะต่ำกว่าแห่งหนึ่งนั่งในที่ส่วนกวนข้างหนึ่งวัจจโคดปริภาชกนั้นได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไป ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้เปลี่ยญนั้นว่ากล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและชื่อว่าพยากรถูกสมควรแก่ทำอย่างนั้นหรืออนหนึ่งคำกล่าวนั้นและคำกล่าวตามอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงเตียดเตียนได้อย่างนั้นหรือ ในทีนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าว่าชะพวกชนเหล่าใดที่กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงสมปติญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือในทุกการแม้เมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีญาณทัศน ะ, ะคือความรู้นั้นย่อมปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปหนังนี้ไม่ชื่อว่าเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคําอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระชาติทั้งหลายควรจะกล่าวอย่างไร จึงจะเป็นอันกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงเป็นอันพยากรณ์ถูกสมควรแก่ธรรมอันหนึง่งคำกล่าวนั้นและคําที่กล่าวตามนั้นอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะบึงตีเตียนได้เล่าว่าจเมื่อบุคคลจะพยากรณ์ว่าพระสมณโคดม เป็นผู้มีวิชาสาคือเตวิชะดังนี้แหละเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยคำไม่เป็นจริงชื่อว่าพยากรณ์ถูกสมควรแก่ทำอันหนึ่งคำกล่าวและการกล่าวตามคำนั้นอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างก็จะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงตีเตียนเลยวันจั ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราจึงตามระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยได้ในการก่อนคือระลึกถึงได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3มชาติบ้างเป็นต้นหรือต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเพื่อทิพยะจักษุญาณเราก็น้อมจิตไปเพื่อทิพยะจักษุญาณได้ เราทำไม่แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาศะไม่ได้เพราะความสิ้นอาศะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้หัวใเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณโคดมมีวิชาสามดังนี้จึงจะชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรม และผู้ที่กล่าวตามเขาต่อต่อไปก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชชาปริพาชกนั้นได้ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านพระกดมผู้เจริญข้าแต่บางคนยังละเครื่องร้อยรัตคือสังโยชน์ของข้าแ่ไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่หรือไม่ประเาขา ดูบานวชชะเรือัดที่ยังละเครื่องร้ายรัตคือสังโยชน์ของกครือขัดไม่ได้แล้วเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นไม่มีเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเครือขัดที่ละสังโยชน์ของกครือขัดได้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีอยู่หรือวชชะกครือขัดที่สามารถละเครื่องร้ายรัต คือสังโยชน์ของเครือข่าได้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงสวรรค์ น, นั้นไม่ใช่มีร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300 400หรือ500เท่านั้นโดยที่แท้ไม่อยู่มากทีเดียวข้าแต่ท่านพระโกลมผู้เจริญอาชีวะกะคือนักบวชประเภทหนึ่งบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกได้มีอยู่บ้างหรือ วัชะอาชีวะกะบางคนที่ตายไปนั้นจะทำที่สุดแห่งทุกได้ไม่มีเลยข้าแต่ท่านพระกุมผู้เจริญอาชีวะกะบางคนที่ตายไปนั้นจะไปสวรรค์ได้มีอยู่หรือไม่วจาชะจากพัฒนากับนี้ไปนับได้เก้าสิเอ็ดกับที่เราระลึกได้เราจะได้รู้จากอาชีวะกะบางคนที่ไปสวรรค์หาไม่ได้เลย นอกจากอาชีวะกะคนเดียวที่เป็นกรมมะาตีกิริยาวาตีก็แต่ท่านพระคุณผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นลทัทธิของเดรถีเป็นอันศูนโดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์ น, น่นสิอย่างนั้นแหละว่าจะาอย่างนั้นแหละลัทธิของเดรถีนี้เป็นอันศูนย์โดยที่สุดแม้จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์ในสมัยต่อมา ในมหาวชิโคตสูตรมชิมนิกายข้อที่253ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองราชกฤตในวัดเวรวนันอันเป็นที่หเหยื่อแก่กระแตปริพาชกวชิโคตรคือนามสกุวลวชิราได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยพอให้เป็นที่เริดถึงกันแล้ว กระดังหน้าที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเคยพบกับท่านพระโคดมเป็นเวลานานมาแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศล ท, ทั้งที่เป็นอกุศลแก่ข้าพเจ้าโดยยอดอด่อเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปริปาชก ว, วชิโคดอย่างนี้ว่า ว่าชะโลภะแล่เป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลวัชะธรรมสามข้อนี้เป็นอกุศลธรรมสามข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการชนี้ว่าชะการฆ่าสัต เป็นอกุศลเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลการถือเอาทรัพย์อันจดของไม่ได้ให้เป็นอกุศลเจตนาเครื่องเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันจดของไม่ได้ให้เป็นกุศลการประพฤติผิดในการกามเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมเป็นกุศลการแกล้งกล่าวเท็จเป็นอกุศล เจตนาเรื <shared> ่องเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นกุศลการพูดยุยงให้แต่กันเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดยุยงให้แต่กันเป็นกุศลการพูดคำหยาบเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศล เจตนาเรื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจรอเป็นกุศลความเพ่งเล็งคืออภิชาเป็นอกุศลการไม่เพ่งเล็งเป็นกุศลความพยาบาทเป็นอกุศลความไม่พยาบาทเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลวัชชาธรรมสิบข้อนี้ เป็นกุศลธรรมะสิบข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการชนี้วัาจาเพราะตัณหาอันบุคคลละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุดตายอดด้วนถึงความไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแต่ผู้นั้นเป็นอรหรันต์ขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วมีภาระอันปรงลงเสียจแล้วมีประโยชน์ของตนตึงแล้วมีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัตในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แหละข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเว้นพระโคดมไว้สักรูปหนึ่งมีภิกษุรูปอื่นสักรูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดม ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้มีอยู่หรือไม่วชะพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของเราที่เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500ที่แท้มีอยู่มากทีเดียว ข้าแต่ท่านพระกคดมผู้เชิญยกท่านพระกคดมไว้ยกภิกษุเหล่านั้นไว้แม้ภิกษุณีสักรูปหนึ่งผู้เป็นสาวิกาของท่านพระกคดมที่ทําให้แจ้งซึ่งเจโตบิมุตต์ปัญญาบิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้พระความสิ้นไปของอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในรำมันได้มีอยู่หรือว่าชะ ภิกษุณีผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราที่เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500ที่แท้มีอยู่มากกว่านั้นมากนะักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญยกท่านพระโคดมมาไว้ยกภิกษุเหล่านั้นเอาไว้ยกภิกษุณีเหล่านั้นไว้ก็มีอุบาสกแม้สักคนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดม ฝ่ายกรื้อหัดผู้ที่ประพฤติปรหมจรรย์นุ่งขาวเป็นโอปาติกะเพราะความสิ้นไปแห่งเรื่องร้อยรัตเบื้องต่มห้าอย่างจะปริิญิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดามีอยู่หรือว่าะอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราฝ่ายกรื้อหัดที่ยังประพฤติปรมจรรย์นุ่งห่มขาว เป็นโอปาติกะคืออนาคามีมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300 400 500ที่แท้มีอยู่มากกว่านั้นมากนะท่านพระกรมผู้เจริญก็ยกท่านพระกรมไว้ยกภิกษุเหล่านั้นไว้ยกภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสิกาทั้งหลายผู้นุ่งขาวประพฤติประมาจันเอาไว้ก็มีอุบาสก แม้สักคนหนึ่งผู้ที่ยังบริโภคกรรมทําตามคำสอนของพระองค์มีความเคลือบแคลงอันข้ามได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสั่งสอนของศาสดาตนมีอยู่อย่างนั้นรึว่าฉะอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราที่ยังเป็นเลือดบริโภคกรรม เป็นผู้ข้ามความสงสัยคือเป็นโสดาบันนั้นมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200 300 400 500มีอยู่มากกว่านั้นมากนักข้าแต่ท่านพระครูงผู้เจริญยกท่านพระครูมาไว้ยกภิกษุทั้งหลายยกภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสกผู้นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์ยกอุบาสกผู้ที่ยังบริโภคการมไว้ มีอุบาสิกาแม้สักคนหนึ่งที่เป็นสาวิกาที่เป็นผู้ประพฤติปรมจันนุ่งห่มขาวเป็นโอปาติกาอนาคามีมีอยู่หรือวชะอุบาสิกาผู้ที่เป็นสาวิกาของเรานุ่งห่มขาวประพฤติปรมจันที่เป็นโอปาติกะคืออนาคามีมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่านั้นมากนักท่านพระโคดมผู้เจริญก็จงยกท่านพระกคดมไว้ยกภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายยกอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นไว้ยกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไว้มีอุบาสิกาผู้เที่ยงบริโภคกา ร, รมแม้สักคนหนึ่งหรือไม่ที่เมื่อทาตามคำสอนของท่านพระกคดมข้ามล่วงความเคลือบแลงความเห็นแยง้ง เป็นผู้กแกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคําสอนของศาสน า, าตนคือเป็นโสดาบันมีอยู่อย่างนั้นหรือวชะอุบาสิกาผู้เป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ใช่รายเดียวแต่มีอยู่มากกว่านั้นมากนะักถ้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ถ้าเผื่อว่าท่านพระโคดมเท่านั้นที่จะได้บาเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์ชวนภิกษุ ไม่สามารถบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ไซสเมื่อเป็นเชน่นนี้พรมจรรยนี้ก็จะไม่บริบูรณ์ได้ด้วยดีแต่เพราะว่าท่านพระกสดมก็บำเพ็ญทานี้ให้บริบูรณ์ได้พวกภิกษุก็บำเพ็ญทำนี้ให้บริบูรณ์ได้ พ, พ, รไดพรมจรรน์นี้จะบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุนี้และไม่ใช่เพียงว่าท่านพระกสดมและภิกษุเท่านั้นที่จะบาเพ็ญทำนี้ให้บริบูรณ์ได้ แม้ท่านพระโคดมพวกภิกษุและพวกภิกษุณีก็บําเพันธ์ธรรมนี้ให้บริบูรณ์ได้พระเหตุนั้นพรหมจรรย์ น, นี้จึงบริบูรณ์ได้ด้วยพระเหตุนั้นก็ไม่ใช่แค่ท่านพระโคดมที่ทําให้บริบูรณ์ได้แม้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งห่มขาวอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคการม ก็สามารถบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระมชันนี้จึงได้ตั้งอยู่บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคามีแต่จะโน้มน้อมเอียงเทไปสู่มหาสมุทรแม้ฉันใดบริษัทของท่านพระกรมซึ่งมีทั้งครือข่และบรญชีชิตก็ฉะนั้นมีแต่โน้มน้อ ม, อมเอียงเท ไปสู่พระนิพพานไปสุดอยู่ที่พระนิพพานฉะนั้นข้าแต่ท่านพระกดมผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะเรียบเหมือนการหงายของที่ความอยู่เปิดของที่เป็นอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉนันใ้นก็ฉะนั้น ท่านพระกดมทรงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยายข้าพระองค์ขอถึงท่านพระกดมกับพร้อมตั้งพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งข้าพระองค์ขอได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระกดมเถิดว่าชะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเตระตีหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมะวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่บริวาทให้ครบสี่เดือน โดยล่วงสเดือนไปเมื่อพวกภิกษุเต็มใจแล้วจึงจะให้บรรดาชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างกันแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในธรรมวินัยนี้คนที่เคยเป็นอัญญาเตระตีจะต้องอยู่ปริว่าดให้ครบสเดือนใช่แม้ตัวข้าพระองค์จะอยู่ปริวาดให้ครบ4ปี โดยล่วงไปแห่ง4ปีเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงจะให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดก็ในที่นั้นวัชชปริภาชกได้บรระชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านวัชโคดอุปสมบทแล้วไม่นานก็ได้ประมาณกึ่งเดือนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ตรัสตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลสามเบื้องต่ำที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงรู้ด้วยญาณของพระเสกค่ะด้วยวิชาของพระเสกค่ะผลทั้งหมดนั้นข้าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดว่าชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมทั้งสองให้ยิ่งขึ้นไป คือสมถะและวิปัสสนาทงทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอกวา่าจ่าเธอนั้นถ้าเพียงจะหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนได้หลายคนเป็นคนเดียวได้ทาให้ปรากฏก็ได้ทาให้หายไปก็ได้ ทะลฟฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดหลุดไปในอากาศว่างๆหดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูปกรรมาจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพแม้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้เมื่อเหตุมีอยู่ เธอก็จะบรรลุ ค, ความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอิทธิวิธีนั้นๆเดียวว่าจถ้าเธอเพียงจากจำนวหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสตาาธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตาาธาตุของสามัญมนุษย์เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุ ความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในทิพยะโสตธาตุนั้นนั้นเดียววจาจกถ้าเธอเพียงจะจำนงวางว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาจิตมีโทสะหรือโมหะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือโมหะจิตไม่มีโทสะหรือโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะหรือโมหะจิตมีความหดหู่หรือไม่หดหู่จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่าน จ, จิตเป็นมหากตะหรือไม่เป็นมหากตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้น หรือไม่หลุดพ้นก็รู้สภาวะของจิตนั้นๆได้เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในเจโตปริยญาณย น, นั้นๆเดียวว่าจแต่เธอเพียงจะบอกว่าเราจะระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นนั้นมากเกื้อเลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง สชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติห้าสิบร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกะบตลอดวิวัตกะบตลอดสังวัตกะบและวิวัตกะบเป็นอันมากบ้างว่าในภพนนท์เรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นมีอายุสุดเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไม่เกิดในภพนอนแม้ในภพนอนก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เท่านั้นมีอายุสุดเพียงเท่านั้นครั้นจติจากภพนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วก็มาม seem nice. มเมกิดในภพนี้ เราพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็ น, นมากพร้อมทั้งอาการและรายละเอียดด้วยประการอย่างนี้เมื่อเหตุมีอยู่เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในบุพเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นๆ น, น, นั่นเดียวว่าจรเมื่อเธอเพียงจากหวังว่าเราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวสามประณีต มีผิวพันธ์ดีมีผิวพัน์สามได้ดีตกยากด้วยเทพยาจักสุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์พูดเป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายวาจาใจอันเป็นทุจริตติเตียนพระเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติมินิบาต รกส่วนสัตว์เหล่านี้มีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เห็นหมูสัตว์ด้วยทิพยาจากักษุอันบริสุทธิหมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์พึงรู้ชติหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้ เมื่อเหตุมีอยู่เธอจะมรรลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในจูตูปปาตาญาณนั้นนั้ น, น, นเดียวดูก่อนพระชะเธอนั้นเพียงจากหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาบิมุตต์อนหาอาสวะมิได้และความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้เมื่อเหตุมีอยู่ เธอจะบรูลุความเป็นผู้อาจเป็นผู้สามารถในอาสวัคยายาญาณนั้นนั้นเดียวกระนั้นแลท่านวัชโคตได้ลูกจากอาสนะกระทำประทักษิณหลีกไปหลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอย่อยางนี้ไม่น่านั ก, กได้ทําให้แจ้งถึงที่สุดของปรมจันทร์ อันไม่มีทำอื่นยิ่งไปกว่าที่กฎบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนต้องการโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็ท่านวชิโคต ได้เป็นพระอรหันรูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายก็สมัยนั้นภิกษุเป็นจำนนมากพากันเพื่อจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวจจะได้เห็นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้กำลังเดินไปแต่ไกลจึงได้เข้าไปหาจนถึงที่ใกล้แล้วได้ทราบความว่าภิกษุเหล่านั้นจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค จึงได้บอกกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผูกมีอายุทั้งหลายได้เช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าวัจจะโคดภิกษุได้บำเรอพระผู้มีพระภาคแล้วได้บำเรอพระสุโคตแล้วดังนี้ในกรแลภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านพระวัจจ ในที่นั้นพระผู้มีพระวาาได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเรากําหนดรู้ใจของวัชชากโคษภิกษุนั้นด้วยใจก่อนแล้วภิกษุวัชชกโคษนั้นเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าภิกษุวัชชโคษนั้นเป็นเตวิชะคือผู้มีวิชาสาม มีฤทธิ์มีอนุภาพมากดังนี้จุลวักโคตและมหาวจัโครสูตรจบฟังธรรมคมพุท ธ, ธะ